ลงมือปฏิบัติแลว้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยนะอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนมาปรึกษามาถามมาทาไมเขามาเขาปฏิบัติมาต้องหลายปีนะับทำกรรมฐานแต่ยังไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นอนาคตเลยหมายถึงว่ายังไม่สามารถที่จะทายดาวอนาคตได้ไม่เห็นภาพไม่เห็นนิมิตนะเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นบางเขก็เห็นสวรรค์บางเขก็เห็นนรกคือเขาคิดว่าการ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 ก็ดูเหมือนว่าเราทุกคนรู้คําตอบนะเวลาเราอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดเราก็อาจจะตอบได้ว้าเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันอยากได้เป็นของขวัญเวลาเราไปห้างเราก็ก็รู้นะว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้แต่เราแน่ใจหรือเปล่าว่านั่นนั่นคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะหลายคนเนี่ยนะจนกระทั่งแก่หรือเกือบใกล้ตายเนี่ยถึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่ภาคเพียรสะสมหามา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 ไม่มาดูล้านกูก่อนเพราะนั้นกูไม่ขายให้มึงเนี่ยในตัวกูมันสั่งส่วนกรณีพระนะพระเซนเนี่ยนะรูปที่สี่เนี่ยนะตัวกูมันชูคอมามันอยากจะประกาศให้เพื่อนอีกสามคนรู้ว่ากูเก่งกูแนนะ่แต่สุดท้ายนะก็กลายเป็นพลาดท่าเสีทีมนะันไปโชว์ความโง่นะความหน้าหัวออกมาแต่นั่นมันอย่งเล็กน้อยนะเพราะจริงๆเนี่ยตัวกูมันทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะสามารถจะสร้างความฉิบหายนะ